บ้านปัญญานี่นี่ระหนักมากนะแต่หนักมีเล่หเหลี่ยมหนักมีล้วนลายไม่นหนักเหมือนงานอื่นงานขั้นพยายามเข้าสู่ความสมบบงมสมบสรรกับงานความสงบสมถะธรรมกับงานเพื่อไล่ตล่อมเข้าสู่สมถะธรรมนี้ไม่มีความฉลาดงานนี้ไม่ฉลาดมันกือเป็นไปตามขั้นของงาน กิเลสของทธรอาเริ่องหมดทางด้านปัญญาพอรู้เหตุรู้ผลของเห็นคุณค่าของปัญญาแล้วนั่นแ่ละที่หนึ่มันมีลวดลายฉันหนักจะบอมมีลวดลายทั้งนั้นลวดลายของกิจปัญญาวิธีการต่อสู้กิเลสมันพลิกมันแพงมันร้อยสันพันคมกิเลสอันนี้มันก็ต้อง แบบร้อยแสนปันคมไม่งไม่ทันกันมันเป็นของมันเองอ่ะพูดไม่ถูกรู้เลยภายในใจเวลามันปัญญาออกลวดลายหรือปัญญาเกิดก็ดีมาออกวดปัญญาออกลวดลายไม่เหมือนอะไรเลยมูนั่นมันเลยเนีย เข้มแข็งขึ้นเรืเ่อยๆความฉลาดก็เหมือนกันไปพร้อมๆกันมันเพิ่มขึเลยเพิ่มมาเร่อยละเอียดก็เรืยเรอยเรื่อยอยนี่ส่วนหยาบพังลงไปเลื่อยพังลงไปเลยืยส่วนละเอียดมันก็ฉลาดของมันเพรมันเป็นเคยเป็นจอมวัตถจักรมานานเกิดปัญญานี่เรายังไงก็ไม่มีรอไม่มีอยู่ปัญญาประเภท คนแอ บ, บแฝดถาดนี้ปัญญาภพนี้อ่ะเฮ้ยย่อมฆ่ากิเลสซาบุทั้งหลาฆ่ากิเลสยิบหายเพราะปัญญาภพนี้ทั้งนั้นกล้าพูดได้อย่างเต็มปากจะไปะหาที่ใดไม่ได้เลยอันยังหมอซีนสมาที่ปัญญาเนาะแม่ทำไมถึงซึ้งหมดเลเกันเพราะว่าปัญญาปัญญาถึงขั้นปัญญาเกิดไม่ได้เหมือนอะไรเกิด เพราะงั้นกับกิเลสมันกิเลสมันเกิดอยู่ที่ไหนมีแต่เรื่องของกิเลสเกิดนั่งภาวนากิเลสก็เกิดเวลามันถึงเวลากิเลสมันเรืองอำนาจเดินยังคงอยู่ที่เดสก็เหยียบหัวอยู่นะเหยียบหัวกันเหนี่ยงไตอยู่งั้นเจ้าของยังเพลินยังว่าเจ้าของเดินยังคงยังไม่รู้เลยว่ากิเลสขึ้นอยู่บนแต่พอสับหัวลงไปนั้นโอ้มันตเล็กอย่างย่นะ เวลาพิจารณาย้านหลังมันขนาดนั้นมีเหลี่ยมันละเอียดขนาดนั้นนะไม่ทันไม่รู้มันเลยไม่รู้ว่ามันเป็ น, ย, น, ย, าานา ย, ปยี่เหลี่ยมพี่เดิยังคมให้มันเอาทันอาจิตไปถลุงนี่แหล่นั่งสมาธิกันถลุงโดยนยังคมนั่งสมาธิพอนาะแบบไหนท่าใดมีแต่มันถลุงพอ พอหมัดเราจะออกมันตีหมัดนี้นแล้วก่อนนันพอตีหมัดก่อนแล้วมันก็ขึ้นนี่แทนเลยมันตัวเล็กจริจงครับนะผมพูดจริงนะผมพูดเต็มปากพูดอย่างถึงใจเลยเพราะฉะั้นถึงพูดบางทีพอพูดมีสนุกบ้างแต่มันออกมาจากความถึงใจนะออกมาเป็นความสนุกให้โลกได้ฟังคือบางทีนะพูดแบบสนุกนี่ที่ใผมมีระดับกบขันด้วยนี่วะ อันนี้มันไม่อย่างนี้ใส่เวลามันจะแยกออกไปตรวจวบ ก, กันเทศคนหัวแตกหา่หามี <c oughs> เวลาจะเอาเอาให้เต็มเพลตั้งนิสัยเราด้ว <c> ย <oughs> ขอให้ขี้เหร่มันหมดทุกอย่างเดียว เ, เป็นจึงเป็นนิสัยล้วนๆถ้าขี้เหร่ยังมีอยู่มันก็ยังแฝงนินสัยยังแฝงขี้เดรอยู่แต่มันก็เป็นแกนของขีเหรของนิสัยอันหนึ่งอยู่บาทียังพูด เรื่องกิเลสนี่แหมมันเป็นคู่เดือดคู่แค้นจันจริงเาเราเนี่ยคู่อาฆาตจริงจริงเาหมดว่าเนี่ยขึ้นนะสว่ากลังนั่งฉันยังไงี <c ười> ใครเขาจะพูดแต่แต่เรามันพูดได้สบายกำลังนั่งฉันยางน้นเตินอเด็ดอร่อยเตือนพอกองทัศกิเลศมาได้เฮ้อไหน <c ười> อยู่ไหนแถวนั้นตีมบาดเลยพวกันนะบาดมันจะเอเด็ดหล อ, อหก็จากตะไลกรตา่มันไม่ได้สนอย่างเลย ไหนอะนั้นโ น, น้นอแั้นพินบาด โ, โดดเลยผางใส่กิเลนเลยเอาตายก็ตายไม่เคยจะได้อาหารไม่เคยจะได้ชีวิตด้วยใส่กันผางเลยกิเลนม้วนเสือแล้วนี่กลับมามาหามาทำอย่งงางนั้นใหม่อันนี้ก็พูดผมน่ะมันเป็นคูเดือดกูดดคแค้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ แต่พูดทั้งนึงแบบโลกแล้วเจ็บใจถึงที่สุดเลยนะมันเป็นเดวอดเป็นแค้นที่เพียงสมาธิเสื่อมแล้วมันึงมันยังถึงใจจนทุกวันนี้ันยังไม่ลืมเพราะเวลาติตมันสงบได้แล้วถึงกั้นหน่ามันลงขึ้นบนตะพองมันได้แล้วขอกัานหน่ำเลยสับ ม, มาแล้วมาแล้วยัง ไม่ตยีนไปอีกทีนี้ความเสื่อมกับความตายต้องไปพร้อมกันเนี่ถึงใจนี่จิตเหมือนผู้ต้องหามันบังคับปันแจกเลยทั้งๆที่ถึงวารที่มันทราบว่ามันไม่เสื่อมมันก็ทราบว่าเอออะไรทีนี้ไม่เสื่อมมันก็รู้แต่ขอมันมันไม่ยอมมันไม่ยอม ถอดถอนคอออกมาจากดิศั์หัวช้างอนะ <g ül> ยังไม่ยอมถอนมันตีมันงัดไว้เลยคาดไว้เลยเหมือนกับเลาะกุญแวอีกหน อ, อ่มจะพูดธรรมะเริ่มจากนี้ไป ในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเจบันดาภิกษุบริษัตทตจนกลายเป็นสาวกบริษัทขึ้นมา ที่มีพิเศษก็คือพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เรียกว่าสยัมภูทรงรู้ทรงเห็นเองทรงค้นขวายค้นคว้าเองไม่มีใครมาบอกมาสอนวิชาหรือวัตจักออกจากพระไทยนั่นเลยที่ไปศึกษากับครูกับอาจารย์ต่างๆดัง ท, ที่ทราบในตำรา นั่นก็ไม่ใช่ทางเสียทั้งนั้นที่ใช่ทางแท้ก็คือพระองค์ทรงควนคว้าและทรงพบทรงเห็นโดยอัปพังพระองค์เองแล้วแตดสรู้ขึ้นมาในท้ำกลางแห่งความมืดหนาป่าทึบของกิเลสวัตตน์ซึ่งครอบหัวใจสัตว์โลกอยู่ทุกๆดวงไป ธรรมชาตินี้ทงางศาสนาให้ชื่อว่ากิเลสเป็นส่วนรวมเลยมไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยมีจิตเท่านั้นเป็นที่เกิดที่อยู่ที่เกาะที่อาศัยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศโลกธ า, าตุะก้างแสนกว้างไม่ ควรแก่สิ่งเหนี้จะอยู่จะอาศัยได้นอกจากจิตหรือจิตตืวิญญาณของสัตว์ตนนั้นังนั้นจึงมาขึ้นอยู่กับภพบใดกำเนิดใดรือชาติใดชาตนใดของทั้งสามภพสามผูมิแต่เป็นภพภูมิที่อยู่ของจิตของธรรมชาตินี้ด้วยกันทั้งนั้น นักสาโลกก็ไม่ทราบว่าธรรมชาตินี้เป็นภัยได้ถูกควบคุมได้ถูกปิดบังจากธรรมชาตินี้ไม่มีทางรู้ได้เลยการกระดิดพิษแพงทุกแง่ทุกอาการของจิตหรือการเคลื่อนไหวไปมาในพบน้อยพบใหญ่ที่เรียกว่าเกิดตายเกิดตายและเหเร่ร่อนในพบนั้นนั้นล้วนแต่ธรรมชาตินี้ เป็นตัวจากพาหมงมันมุนไปดีไปชั่วกูไม่ดีกูเป็นหอกมาเถียงถึงมันก็ไปแบบหมาเดียวมันไม่ไดปแบบคนหรอกปิดซะก่อนนะ ที่สูที่ถูกวัตจักรครอบมัาในกลายเป็นวัตจิตเป็นจิตที่หมุนเวียนนี่ไม่มีวิชาใดในสาแดนสามแดนโลกศาสตรน์นี้จะแก้จะถอดจะถอนชา้นล้างมันได้มีวิชาธรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำว่ารมกับโลก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 ขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่นนำมาถอดถอนสิน่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้แก่สัตว์โลกโดยบายวิธีการแนะนำสั่งสอนและการปฏิบัติเป็นยุกยุคราวครไปี่วาพระพุทธเจ้านะอุบัติแต่ละโพงโพงก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 พยายามตักตวงเอาคุณงามความดีมาแก้สิ่งลามกทั้งหลายออกจากใจของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะโอกาสก็อำนวยเต็มที่แล้วในนักบวชของเราเฉพาะเมืองไทยนี้นักบวชเป็นผู้มีโอกาสมีอิสระมากยิ่งกว่าใครๆเพราะทางบ้านเมืองก็ ให้โอกาสทั้งความเคารพนับถือไม่กล้ามาแตะต้องอาจเอื้อมพระเราว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะผ้ากาสาวะพัดหรือผ้าเหลืองนั้นอันเป็นเครื่องหมายแห่งท่านผู้วิเศษคือพระพุทธเจ้าปกครอหุ้มหอ่อนักบวชคือพระของเราอยู่แล้ว หากเราจะสั่งสมทิฐิมาณนะขึ้นในความเป็นพระโดยสำคัญหรือโดยอ้างตนมาเป็นพระเพื่อจะสั่งสมกิเลสให้มากมูลยิ่งกว่าครวาดก็ได้อย่างเต็มหัวใจไม่มใีใครเกินพระมีปูดถึงการไม่คิดในแง่เดียวว่าพระนี้เป็นเพศแห่งจร ทำละสาสางเป็นเพศเสียสลับแต่กลับกลายเป็นเพศสังสมกิเลสตันหาอสวะขขึ้นมาภายในจิตใจเพราะโอกาสอำนวยก็ได้ว่าความสำคัญนั่นอาศัยโอกาสอาศัยเพศอำนวยขึ้นมาและทำความชั่วชาติหละมกขึ้นพันในตัวได้โดยไม่ต้องสงสัย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 ในปัจจุบันนี้ทั้งที่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจาาา้าสดสดก็ประกาศกังวานอยู่อย่างสดสดร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานบุญบาสนรกสวรรค์หรือว่าผลนิพพานประกาศกลงวานอยู่อย่างสดสดร้อนๆแต่เพราะธรรมเหล่านี้อยู่ในถ้ำกลางแห่งฆาศึก คือฝ่ายต่ำได้แก่กิเลสซึ่งครอบงำอยู่ทุกหัวใจไม่เดือกำนามันมีอำนาจสามารถที่จะผลักดันความรู้ความเห็นอันที่มันบรรจุไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นเกอะมาทางกายทางวาจาความประพฤติต่างๆซึ่งเป็นการลบล้างศาสนธรรมสระสุดรร้อนของพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกัน นี่เวลานี้กำลังบาปก็ไม่มีใช่แล้วเพราะธรรมชาติที่ปิดหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันปิดให้มืดให้ดำให้มิดไปหมดไม่ให้เห็นบาปไม่ให้รู้บาป ท, ทั้งที่ใจก็รู้ร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 นี่ทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์แบกหามอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเป็นหัวใจใดร่างกายใดที่ไม่มีความทุกข์มีเหลือร่างกายก็เป็นภาชนะของทุกข์จิตใจก็เป็นภาชนะของทุกข์พอเชื้อของทุกข์ฝังอยู่ที่ใจต้นลําของมันเกิดอยู่ที่ใจจะไม่มันผิดดอกอกอกผลมาอย่างไร มันต้องผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนี่มีอยู่ที่ใจและกายของสัตว์ทานารกไม่มีหรือบาปไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรจะมีในสัตว์แต่สัตว์ก็แบกหามกันอยู่แล้วก็ถูกปิดกั้นไม่ให้เชื่อนในบาปในบุญในานารกสวรรค์ไปเสียนี่จริงๆที่ว่ามันละเอียดขนาดนั้นน่ ไม่ให้สัร์รูเลยถ้าต่างคนต่างรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษใครจะมานอนจมโทษอยู่เรานอนอยู่ในถ้มเสือที่มันกําลังจะงับคออยู่แล้วใครจะไปกล้าร้องเพลงเพลินอยู่ในถ้ำเสือเช่นนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แต่เท่าที่ได้เพลิดเพลินอยู่นั้น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 ตั้งแต่กเต้าล้านเลนของเสือร้ายได้แก่กิเลสประเภทต่างๆเป็นกระทั่งถึงเสือโคร่งใหญ่หรือยักษ์ใหญ่กืนสัตว์ทั้งสามแดนโลกฐานนี้ไม่มีวันอิ่มพอกืนแล้วตายเล่ากายแล้วกืนกินแล้วกินนอนหากได้รู้อย่างนี้แล้วใครจะไม่ตะเกียบตะกายหนีจากแดนแห่งความเป็นอาหารของสัตว์ประเภทนี้อยู่ตลอดเวลาได้ ต้องตะเกียบตะกายสุดเหวี่ยงแขนขาดถ้าขายัางมีก็จะต้องตะเกียบตะกายจนกระทั่งไปไม่รอดจริงๆหมดความหมายจริงแล้วถึงจะหายใจปลาให้มันงับให้มันคืนไปนี่ผู้ปฏิบัติรมในเบื้องต้นที่ไม่รู้เรื่องกิเลสว่าเป็นไทยย่อมจะเพลินในกิเลสหลงในกิเลสติดในกิเลสเพราะฉะนั้นความรัก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 แล้วปล่อยให้เป็นอาหารของมันอยู่เป็นประจำประจำทั้งสามแดนโลกธาตุไม่มีจิต ด, ดวงใดสัตว์ตัวใดที่จะไม่อยู่ในความเป็นอาหารของธรรมชาตินี้ให้ครืนอยู่ตลอดเวลาได้นี่เราจะเห็นได้เวลาการปฏิบัติธรรมในขั้นเริ่มแรกก็เกิดความเชื่อความลรสายนี่คือคืออุปนิสัยที่ฝังอยู่ภายในนั่นแหละกับตัวพีตตัวภยัย อยู่ในใจดวงเดียวแต่เป็นธรรม อ, นนอันนั้นเป็นค่าสึกอันนี้เป็นคุณแส่งมีนน ใ, ใจดวงเดียวเช่นสัตว์ผู้ทำดีได้ไปเกิดในสถานที่ดีกคติทินเหมาะสมเป็นการเปร็งเวลาเป็นพบเป็นชาติไปเหล่านั้นด้วนแลแต่คุณธรรมที่เป็นฝ่ายดีมันดนบันดาลพาให้เจาะให้สแสวงหาให้บำเพ็ญก็ได้อาศัยนั้นแหละไปเพราะตอนนั้นยังไม่มีกำลังมาก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 เราก็ทราบจากการได้ยินได้ฟังว่าความขี้เกียจที้คร้านความอ่อนแอความทอด แ, แล่านี้เป็นเรื่องขวาฝ่ายต่ำที่ปักเสียขบข้อหนามไว้โดยไม่ต้องสงสัยเราก็ทราบแต่มันไม่ถึงใจเพราะยังไม่เห็น ได้ยินแต่คำบอกเล่าจากครูจากอาจารย์จากตำหนับตำนาเฉยๆยังไม่เห็นด้วยตาของตัวเองมันก็ยังไม่ฝังใจเชื่อต่อเมื่อได้ปฏิบัติอัดรมเริ่มตั้งแต่สมถธรรมได้ปรากฏขึ้นภายในใจใจจะเปลี่ยนสภาพความรู้สึกขึ้นมาแปลกๆต่างๆจากความเป็นเดิมของตนเข้าสู่ความสนใจเข้าสู่ความเชื่อ ในสมถะธรรมหรือในธรรมทั้งหลายไปโดยลาดับนี้คำว่าสมาถะสมถะธรรมก็มีหลายอาการมีหลายขั้นหลายผูสมถะธรรมที่มีความสงบประหนึ่งรากว่าขาดสะบั้นไปหมดจากอารมณ์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องก็มีในบางการมางเวลานี่ก็พอที่จะถือเอาเป็นความอัศจรรย์ความฝังใจในอจระรัตา เชื่อต่อมากต่อผลได้โดยไม่ต้องสงสัยขั้นหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นกําลังเพิ่มขึ้นมาดังนั้นก็เห็นคุณค่าอัจฉริยะตัทธาฝังใจในผลที่ตนได้เคยปรากฏแล้วแม้วันหลังวาระต่อไปยิ่จะไม่มีความสงบอย่างนั้นก็ตามแต่ความเชื่อที่เคยเป็นแล้วอย่างนั้นถอนไม่ขึ้นไม่ยอมถอนฝังลึกลงไปเรื่อยๆเชื่อแน่แล้ว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 เป็นคุณค่าที่กิดเกิดความเชื่อความย่มใสความอุตสาบพยายามมาพร้อมๆกันนี่ถ้าเมื่อมีสองแล้วย่อมมีทางเลือกคนเราของสองสิ่งย่อมเลือกของสิ่งเดียวไม่เสียไม่ทราบจะเลือกอะไรก็มีอันเดียว มองในหัวใจมันมีแต่ไฟอย่างเดียวจึงไม่เคยปรากฏว่าจะมีน้ำมีความเย็นเข้าก็แฝงเป็นคู่แข็งบ้างเลยแต่พอได้ปรากฏสมสถะธรรมเป็นน้ำที่เย็นฉ่ำภายในจิตใจแล้วย่อมมีทางคิดบนเราอุตส่าห์พยายามนีม่ิดค่อยเคลื่อนไหวตัวเอง มาโดยลำดับอย่างนี้จากพื้นพื้ น, นจิตที่มีความสงบเย็นใจจิตมีสมาธิย่อมมีความเพียงผิดกันกับจิตที่ไม่เคยมีสมาธิมีความสงบเลยอยู่มากมายหากเป็นปนัญจิตดวงนั้นเองแล้วขยับไปสู่ด้านปัญญาคมว่าปัญญา ทุกๆ ท, ท่านก็จะเข้าใจแล้วเพราะหนงในตำหนักตำนามีเต็มไปหมดอยู่แล้วสองก็เคยได้ยินได้ฟังได้อธิบายให้ฟังแล้วปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดความคิดแยบคายไตรตรองในเหตุในผลในสิ่งดีชั่วที่สัมผัสสัมพันธ์มาสัมผัสสัมพันธ์ที่ตาหตูจมูกริ้นกายใจของเราหรืออารมณ์อดีตอนาคตอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าเคยเป็นกิเลส ก็เป็นปัญญาทำได้เป็นมากได้เหมือนกันในสิ่งนั้นมันพลิกกลับตัวเองเริ่มตั้งแต่พิจารณาอสุภาอสุพังในสกุลกายของเราและของคนอื่นสัตว์อื่นดังท่านให้ไปเยี่ยมป่าช้าล้วนแล้วแต่พิจนนารณา กองอสุภะอาสุพังกองทุกขังอนังอนัตตาที่โลกทั้งหลายเสกสรรปั้นยอเพราะอำนาจของกิเลสว่าเป็นของดีวิเศษนีโสมีคุณค่ามากแน่นน้ำมั่นคงกีรังท้าววังมีความสุขความเจริญเป็นหลักเป็นเกณฑ์ฮาดวันสิ้นซากวายชนไปไม่ได้แก้สิ่งเหล่านี้ด้วยการพิณพิจาในอนุสุภะอาสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตา ลบล้างความจปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกเนึ่งต้นก็เห็นภายนอกอนก่อนก็มีดังท่านสอนให้ไปเยี่ยมปรชาชญ์ก็คือพิจนาเพราะเห็นอาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เทียบเข้ามาสู่ร่างกายของตนทุกๆอาการก็พอเป็นไปได้อย่างนั้นเกิดความมั่นใจขึ้นมาทีนี้ได้ถือเอา สกุลกายของตนนี้เป็นแดนป่าช้าภายในตัวเองและแยกแยกไปตรงไหนกับส่วนภายนอกภายในได้กันทุกสัตว์ทุกส่วนแต่เป็นอสุภะอสุพังก็เหมือนกันเป็นใจรักขืนในจังทุกขังตาก็เหมือนกันนี่คือปัญญาเริ่มออกก้าวเดินส่วนมากจะก้าเดินไปแถวรูปกายนี่นสําคัญเพราะกายนี้เป็นประเภทที่หนักหน่วงมาก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 ซ้ำๆสักๆดังเคยพูดแล้วในเทพหรือในหนังสือและเคยเทศให้ฟังมาลูกิ่พันกี่หมื่นครั้งแล้วจิตย่อมจะเข้าใจในความจริงเพราะความจริงมีอยู่โดยแท้เป็นดึกยังความจำปลอมที่เสียกสันปัญยาจากีิเรกนี้มันทับมันถมหนานแน่น เกินกว่าจะพิจารณาได้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวจึงต้องถากแล้วถากเล่าทำลายแล้วทำรายเ ล, ล่าขุดแล้วขุดเล่านั่นถึงจะถึงความจริงขึ้นมาได้ s> <S เมื่อพิจารณาร่างกายส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นภายนอกก็าตามภายในก็าตามประจักษ์ใจเสียเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็เช่นเดียวกับจิต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 คราวนี้พิจารณาได้อุบายอย่างนี้ขึ้นมาคราวต่อไปพิจารณาได้อุบายอย่างนั้นขึ้นมาส่วนที่จะให้เป็นแบบเดียวกันจริงๆนั้นมันไม่ได้แน่นอนนักนักปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะขาดจะหมายในผลที่เคยเป็นมาแล้วโดยการพิจารณาโดยอุบายใดก็ตามปรากฏให้เป็นอัญญาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอสุสพัสพัน์ทุกขังจังรตาก้ตาม ส่วนมากไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเก่าจะมีการย้ายผันแปรไปเรื่อยแต่อยู่ในวงอันนี้วงอสุภาษิตฟังวงให้จําทุกขังนาฏานี้ทั้งนั้นแม้ต่างก็ต่างโดยอาการหลักใหญ่เป็นอันเดียวกันจะเป็นอย่างไรก็ตามจิตย่อมจะเชื่อไปตามนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรเชื่อถึงขั้นที่จะฟังควรฟังลงสู่ความจริงแล้วจิตยอมฟังลงทันทีทันที เพราะปัญญาพาให้ฝังปัญญาพาให้รู้ปัญญาพาให้เข้าใจความจริงทั้งหลายจิตเป็นผู้ก้าวเดินตามปัญญาเท่านั้นเพราะจิตเป็นผู้ต้องหาถูกจำจองอยู่ด้วยกิเลสตัณหาสะวะประเภทต่างๆปัญญาเป็นผู้ชักจูงเป็นจันปัญญาเป็นผู้รื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกให้จิตเบาพาละลงโดยลาดับกดาจนจิตปัญญาดูแจ้งชัดเจนไปโดยลาดับกำดา นั่นและที่นี่ปัญดาก็เป็นอรจระศัทธาของปัญญาไอ้นี้ไม่ว่างงานะถ้าลงได้จับไตร ล, ลักษณ์ขึ้นพิจารณาจะเป็นไตร ล, ลักษณ์ใดก็ตามจับอสุภะสุพังขึ้นพิจารณาจนประจักใจได้เพียงครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปจะกจระจายตัวออกไปขยายออกไปกว้างออกไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ คำว่ า, าทุกขังก่อนมีความละเอียดเข้าไปอันนี้จังอนัตตาละเอียดเข้าไปตามลำดับธรรดาของสภาวธรรมน น, นั้นและความรู้ความเห็นของสติปัญญาที่อย่างทราบตามกําลังของตนจะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสิ่ง น, นั้นจิตก็เปลี่ยนสภาพอาการทุกขจิตเปลี่ยนสภาพเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆเข้าไปนี่ปัญญาที่กล่าวนี้เรา เบื้องต้นเราต้องอาศัยอุบายวิธีการจากครูจากอาจารย์คอยแนะนำคมสอนแล้วเป็นภาคปฏิบัติคือนำไปปฏิบัติตัวเองจนปรากฏผลขึ้นมาเมื่อปรากฏผลขึ้นมาดังที่กล่าวนี้แล้วนั่นหละที่มีปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นมาเองจะหมุนตัวอยู่ภายในสิ่งสัจวงศธรรมนี้ไม่ลดละทอ้ทอถอยนี่เราจะพิจารณาย้อนหลัง ไปถึงเรื่องความทอดแท้อ่อนแอความตำหนิตนและอำนาจวาสนาน้อยว่าคนเป็นคนงูกขาวเบาปัญญาเหล่านี้จะหมดไปหมดไปความขี้เกียจอ่อนแอนี้จะหมดไปข่อนเพื่อนความทอดแท้เรื่อยๆต่างๆจะหมดไปโดยลาดับตรรมดาความว่ามีอำนาจวาสนาน้อยงูกขาวเบาปัญญานี้ก็ค่อยหมดไปเหมือนๆกันจะมีแต่ความมุ่งมั่น ขันแข็งในการที่จะทำจิตนี้ให้หลุดพ้นจากทุกข์หรือให้รู้ตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายดังที่เคยรู้เห็นมาแล้วเป็นลำดับจะให้รู้ละเอียดกว้างขวางลึกซึ้งเข้าไปยิ่งกว่านี้จนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางด้วยความมุ่งมั่นด้วยความขยันหมั่นเพียรของจิตนั่นเองนี่เป็นจิตเป็นอนัตโนมัติของความเพียรเป็นอนัตโนมัติของสติของปัญญา ของความอดความทนกลายเป็นอัตโนมัติปั่นตามกันหมดสิ่งที่กล่าวมานั้นเมื่อย้อนไปพิจารณาแล้วจึงได้ทราบช่ไว่ามันเป็นกิเลสทั้งหมดความกลัวเป็นกลัวตายเหล่านี้ไม่ใช่อะไรปักเสียบขวาก้ําเอาไว้มีแต่กิเลสทั้งนั้นสลับซับซ้อนย้อนหน้าย้อนหลังกระดิกฟิกแพงพัฒนไหนถูกแต่ขวากหนามของกิเลสในระยะที่ที่ควรจะถูกในระยะที่ ออกจากวงล้อมของมันไม่ได้เมื่อได้ก้าวกิตเข้ามาเช่นนี้แล้วเราพิจารณาย้อนหลังจะเห็นได้ชัดเจนดังที่กล่าวมานี้และความมุ่งมั่นที่จะทําจิตให้มีความบุญพ้นนั้นมีกําลังมากความมุ่งมั่นนี้เป็นแม่เหล็กอันสําคัญทีเดียวเนื่องมาจากความได้รู้จริงเห็นจริงในสภาวธรรมส่วนต่างๆเป็นเชื่อของกิตให้เกิดความเชื่อ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 ที่เรียกว่าอาวกาศของธรรมอวกาศของมีเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นปัญญาตนยธรรมปัญญานี้เป็นกิจตภาวนาสร้างขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรในขณะที่ผิดที่คิดที่พินิจพิจารณาวิธีการต่อสู้กับท่าสุดคือกิเลสประเภทต่างๆนั้นจะผิดตัวขึ้นมาเองให้ทันกับเหตุการณ์นั้น ช้าบ้างเร็วบ้างมีได้เป็นไปได้และมีกูบาจารย์คอยแนะนำอย่างติดปัญหาดังนี้เป็นต้นที่ดังสาวกท่านติดปัญหาจะไปทูลถามพระพุทธเจ้ายังพระอัญตรพิกขุเป็นตัวอย่างพอเดินไปใต้ถุนพระกระตบุดีก็พอดีฝนตกขึ้นทูลถามปัญหาจังมาดาก็ยืนอยู่ข้างล่างตอนนั้นกิจของท่านเป็น สติปัญญาของท่านพิจารณาธรรมีตลอดเวลาอยู่แล้วเข้าทำภูมิกิตุิธรรมอันละเอียดเป็นความเพียงอัตโนมัติอยู่แล้วเมื่อฝนได้เห็นฝนตกน้ำฝนหยดย้อยลงมาจากใจคามากระทบน้ำข้างล่างตั้งเป็นฟองเป็นต่อมขึ้นมาแล้วดับไปตั้งขึ้นมาดับไปอาศัยความกระทบกันและตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไป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 พอฝนหยุดเทนั้นก็กลับไปกูดีของตอนนั่นเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าถึงที่ถึงฐานแล้วสันติโกนี้ประกาศจังวานในตัวเองปฏิทูนฐานพระพุทธเจ้าทำไมเพราะความจริงเป็นอันเดียวกันปฏิทูนฐานท่านทำไมนี่กำลังกันเมื่อถึงวาระที่จะเป็นสติปัญดาขึ้นมาแล้วต้องเป็นเช่นนั้ น, นเมื่อค้องใจ ดูใกล้ครูใกล้อาจารย์ดูใกล้พระพุทธเจ้าใครอยากจะไปช้าใครอยากจะไปจักช้าให้เสียวเวลาเวลาก็ต้องพุ่งตัวเข้าถึงพระองค์ท่านแล้วพุ่งตัวเข้าถึงครูอาจารย์ท่านแนะนําเพราะท่านรู้ก่อนเห็นก่อนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอเล่าเรื่องนะั้นความเป็นทั้งตนถวายท่านท่านจะ ก, กระจายเอาให้ฟังทันทีเลยแล้วก็ผ่านไปได้โดยไม่ต้องเสียวเวลาเหมือนเราต่อสู้โดยลำพังเราเอง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 ถวาธรรมะท่านแล้วจะเข้าใจทันทีจากนั้นเราก็ตะลุมบอลข้างเราเองหากเป็นไปเองจะปลดเปลื้องกันไปในตัวเรื่องปัญญาขั้นนี้พูดไม่ได้ว่ากว้างแคบขนาดไหนละเอียดแล้มคมเพียงไรพูดไม่ถูกเอากิเลสเป็นประมาณกิเลสละเอียดแค่ไหนสติปัญญาก็ต้องตามตามกันไปโดยลําดับดา ผลสุดท้ายก่สติปัญญาต้องเหนือกว่าไม่เช่นนั้นวัตจิตวัตจักอวิชชาปัุญาสร้างคาราจะพังทลายลงไม่ได้อันนี้ต้องเหนือ น, ะนี่นี่เดียว่าปัญญาตนนมัตในครั้งพุทธกาลท่านนำหาสติมาปัญญาเหมือนกับว่าสุดเอื้อมหมดหวังเวลานี้ชาวพุทธเรา พระพุทธเจ้าพอนิผพานไป 2,500 ปีแล้วนู่นไอ้กิเลสมันหลอกไป 2,500 ปีนั่นแต่กิเลสตั้งจมอยู่ในใจนี่มากี่ปีกี่เดือนมากี่กับกี่กันทำไมมันไม่เห็นคืบไม่เห็นล่าสมัยไม่เห็นเป็นการเป็นนานอะไรนี่มันเสียเปรียบมันตรงนี้เองมันหลอกไปนู่นไปเมืองอินเดียนู่นไปทำที่พระพุทธเจ้าตัดไ้หลายปีมาแล้วนู่น ون. เออาที่เลตมันอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนมันไม่ชีดเราเสียโง่มันโดยลําดับลำดาบธรรมะที่พระองค์จัดไว้นั้นจัดไว้เพื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชําระสาสาังเพื่อฆ่าที่เลตแล้วที่เลตมันอยู่ตรงไหนที่เลตมันไปอยู่อินเดียนั่นเหรอที่เลตมันตายพร้อมกันกับพระจาร้านิพพานนั่นเหรอ จี่รียบมันตายตั้งแต่สมัยนั่นเหลอนั่นมันเดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจทํามากเมื่อเจ้าออกจากไหนไม่ออกจากใจนั่นทุกข์อยู่ตรงไหนสมุทัยอยู่ตรงไหนมรรคเนรโรดจะไปอยู่อินเดียได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ให้จเดียบมันใส่ ย, ยาพิษให้เป็นบ้าไปเมืองอินเดียอิื่นเราก็ไม่ควรจะเป็นบ้าแันนั้น ถ้าไม่ถูกกิเลสมันสังงยาพิษให้เป็นบ้าฉีดยาบ้าเข้าไปแลเป็นบ้าขันหมดเนี่ยแล้วก็เลยผลสุดท้ายก็สุดเอื้อหมดหวังพุทธศาสนาก็เลยมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อแต่กิเลสมันมีเต็มตัวนี่ที่กิเลสได้เปรียบตลอดเวลาเอาจารณาตามความจริง ทุกสมุทัยอยู่ตรงไหนม า, มารคสมาทิสมาสิงคโปรมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดอยู่ตรงนั้นแน่ท่านสอนไว้ตรงนี้สดสดร้อนๆสัมมาทิฏฐิสม า, ส, มาสังคโปรมายถึงองค์ปัญญาสมาสตินั่นนี่คือเครื่องค่ากิเลสผิดขึ้นมากิเลสอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่จิตมากกับผิดขึ้นมาที่จิตฆ่ากันลงที่จิตนี้ให้แหลกแตกกระจายไปที่นี่แล้วถามหพระพุทธเจ้าที่ไหน อืผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงไหนนะ่ะก็เห็นตรงที่ความบริสุทธิ์สันติจิตโกประกาศกลางวันอยู่นั้นไปสงใสพระุทธเจ้าที่ตรงไหนนั่นต้งชื่อว่าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระเจ้าอันนี้มันมีกิเลสนาตุฉาลนี้ละที่เราไม่รู้นี่ว่าเราเป็นกิเลสัธาตุฉาลมี น, ล น, น, น, นั่นมันหลอกทุกแง่ทุกมุมธรรมมาท่านบอกมัชชิมามัชชิมาปฏิปทา มัชชิมาแปลว่าถ้ำกลางเหมาะสมยิเลศประเภทไหนมานะี่ยผลมัชชิมาขึ้นให้พอเหมาะกันกับการปราบยิเลศประเภทนั้นๆ น, น, นี่มัชชิมากิเรศผลมามัชชิมาผลไปกิเลศโหดร้ายมัชชิมาโหดดีฟาดกนลงไปเอาให้แหลกแตกกระจายไปทั่วทีนี่ท่านเรียกว่ามัชชิมาไม่ใช่แบบที่ พวกชาวพุทธทั้งเราทั้งหลายไม่ว่าท่านมาเรามันคิดจากนั้นเหมือนกันนั่นแหละเพราะไม่ทางไม่เคยดําเนินเราไม่เคยเข้าต่อสู้กับสงครามเลยจึงไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธประเภทไหนประเภทไหนต่อฆ่าศึกชนิดใดประเภทใดมันจึงใช้ผีผีพลาดพลาดสุดท้ายก็แพ้ถ้าลงได้เคยเข้าต่อสู้กับฆ่าศึกสงครามมาแล้วมันฉลาดเองวิธีการต่อสู้ตลอดถึงจับอาวุธชนิดใดที่จะนํามาต่อสู้กับฆ่าศึกมันเข้าใจกันเองเข้าใจกันเอง เหมือนน้ำมัวขึ้นต่อกันนะ่ะแพ้เขาที่ตรงไหนมันก็แก้ของมันเองไม่แก้ตายแก่ไม้หมัวของกันละกั น, กนต้องแก้วิธีนั้นแก่วิธีนี้นี่แพ้กิเลส ป, ประเภทไหนโรงไหนก็แก้ตรงโรงนั้นโรงนั้นงนั้นนี่ก็เหมือนกันมัชชิ ม, มาเป็นสิ่งแก้ล้ำกันกับกิบเลสกิเลส ป, ประเภทไหนแสดงออกมาแพ้ด้วยวิธีการไหนคิดขึ้นมามาคปฏิปทาคือ สติปัญญาผิดขึ้นมาให้ทันกันแล้วแก้กันไดตนน้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละมัชชิมาฟาังเราเฮยิ่งสติปัญญาขั้นอัตโนมัตินี้ด้วยแล้วไม่มีอะไรเหมือนความลึกซึ้งไม่มีอะไรลึกซึ้งเท่าความกว้างขวางไม่มีอะไรกว้างขวางพูดไม่ถูกะขอให้กิเลสผ่านมาเถอะกิเลสมันจะอยู่ซอกไหนมุมใดจะตามต้านกันได้หมด มือถึงขั้นมันละเอียดแหลมคมแล้วนี่ทางบริจาท่านแสดงไว้พอประมาณเท่านั้นแล้วแต่ผู้พิจนาเจ้าของจะนำมาตอดถอนแ ก, ก้กิเลสของตัวเองภายีนใจซึ่งกิเลสเหล่านี้ท่านกรรมยุจจาจดจารได้เพื่นกังภีมากมายแหลมนะพอประมาณธรรมะที่เป็นเครื่องปราบกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเข้าถึงขั้นสมรภูมิคือการ ลบพุ่งจริงชัยกับกิเลสด้วยภาคปฏิบัติแล้วหากจะรู้เองนะเจ้าของกําลังวังชาปฏิบัติทางเจ้าของหนักเบามากน้อยต่อกรกับกิเลสประเภทใดเป็นอย่างไงได้ผลอย่างไรแพ้ยังไงชนะย่างไาางไมันเป็นครูสอนโดยลําดับลำดาบแล้วฉลาดภาในตัวจกนกระทั่งถึงกิเลสพังหมดไม่มีสิในใดเหลือแล้วนั่นแ่ะที่นี่พ้นแล้วจากวัฏจักรหรือเดือนกรร ได้แก่ธรรมชาติที่คุมขังในวัฏจกักรนี้ในนสือที่ในเขียนนั้นว่าอาวกาศของกีดอวกาศของรรมเวิร์วางหมดเครื่องดึงดูดแล้ก่อนดูด้วยความดึงดูดบีบบังคับเอาไว้ตลอดเวลาอะไรดึงดูดมีกิเลตเท่านั้นดึงดูด พอยิ่งใหญได้สิ้นซากไปหมดแล้วอะไรจะมาดึงดูดในโลกอันนี้ชานแดนโลกฐานนี้เราก็ไปว่าวเฉยเฉยนี่เมื่อมันไม่มีสิ่งยึดสิ่งถือภายใน จ, จิตใจแล้วสักแต่ว่าไปอย่างนั้นเองว่ามีก็มีวราไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่มีใครไปยึดไปถือมีแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่ใช่สมมตุติแล้วมันจะไปกังวลกันหาอะไรเนี่ยยิ่งใหญ การก็มีสถานที่ไม่มีเวลาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นสมมุติจินนั่นเป็นสมมติคือดูดพ้นไปแล้วจากสิ่งนี้มันจะมาเกาะเกี่ยวกันหาอะไรว่ามีก็มีไปตามโลกเขาอย่างนั้นเออมเเออีเป็นก็เออเป็นว่านั่นเป็งนั้นเป็นอย่างนั้นไปตามเรื่องของเขาเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเคยรู้อยู่แล้วทีนี้เวลามันถอนตัวเข้ขามาก็รู้อยู่แล้วว่าถอนตัวเข้ามา โลกนี้มันจะหนาแสนหนามันก็เป็นอวกาศไปหมดเชียะภายนาในจิตใจไม่มีอะไรเข้าเกาะเข้าเกี่ยวเอาเยุ่งเหยิงวุ่นวายเข้าขัดเข้าขวางมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นพอกิเลสหมดไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยจิตเรื่องธากุขันนี้ก็เป็นขันร้วนๆไม่มีอะไรเข้าครองทําเข้าครองทําไม่ยึดนี่ ทำไม่กดขี่บังคับธาตุธาตุขันธ์ทำนาธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือก็ทําประโยชน์ให้โลกให้สงสารไปนขันธ์จึงเป็นเหมือนหางจิ้งเหลนขาดลุกติกดุดเดือดอยู่ตามธรรมชาตเป็นตัวเองคือไม่มีใครเข้าไปเป็นเจ้าของไปยึดไปถือไปเป็นพิษเป็นภัยแต่ก่อนอภิชาปจียาสังฆะนี่เป็นเป็นตัวสําคัญแล้วก็ให้เป็นสังขารเป็นญาณใหม่ย ขันตั้งห้านี่ก็เป็นเครื่องมือของกิเลสจนไปนหมดเลยกลายเป็นขันห้าก็เป็นกิเลสทั้งทั้งที่เป็นเครื่องมือมันก็เป็นกิเลสเพราะกิเลสครอบหัวมันพอกิเลสมันหมดไปแล้วขันห่านี่มันก็เป็นขั น, นล้วนๆน่ตอนท่านแสดงไว้ว่าเตซั่งบุปผาโมสุโะฟังสิเราจะไปแปลในแง่เดียวนี่การระงับสังขารการระงับสังขารอะนเป็นความสุขอันอย่างยิ่งหรือเป็นความโกรยิงย่งใหญ่ ระงับสังขารอะไรถ้มันเห็นปัจจุบันทันตาของเราในวงปฏิบัติก็ระงับสังขารที่เป็นตัวสมูทายคือระงับดับกิเลสทั้งหมดนั่นสิไม่มีเหลือแล้วสังขารนี่ไม่กมมไ่เป็นสมูทายคิดปรุงเรื่องอะไรเขาเป็นอิสระธรรมดาธรรมดาเป็นขันบนล้วนรูปก็ไม่มีใครมายึดมาถือเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างต่างๆเป็นความจริง โดยหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองไม่มีใครมายุ่งมาเกี่ยวจิตที่บริสุทธิ์ินล้วนจิตก็ไม่ไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็จริงเต็มหัวใจของจิตเนีะหมายว่าเตสร้างบูปสมุจขความระงับดับเสียทึ่งสังขารลายนั่นเป็นความสุขั้างหน้าสุขปัจจุบันก็สุขเพราะสังขารนั่นนี้ไม่ควรไม่เสียดไม่แทงพระงับสังขารนี้อ่ทั้งหลังสังขารร่างกายทั้งสังสังขาร ขันนั่นนั้นแล้วหมดแล้วก็เตสามกุบสมุทรสโขอีกเหมือนกันสุขโขนั้นเป็นบรมสุขเสียประมังสุขขังเสียนี่นี่ันมาขันล้วนๆเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเก็บไข้ได้ป่วยก็เจ็บ แต่วิมุตตะกิจนั้นไม่เข้ามายุ่งกับสมมุตินี่สิอยู่ด้วยกันก็เป็นความจริงของตัวเองอยู่โดยหลักธรรมชาติโดยไม่ต้องเสียสรรพันย อ, อทุกขณะไหนก็โทกหิวก็ทราบว่าหิวตั้งมาพระพุทธเจ้ารับสั่งท่านนให้ตังน้ำมาสเสวยวันกระเด็จไปเพื่อปริณิพานนั่นหิวกระหายาแล้วใครจะมาว่าพราะพุทธเจ้าทรงสสเสวยทุกเวทนาหรือนั่น ถ้าเป็นคนตาบอดก็ต้องว่าเนี่ยก็มไม่สวยไงตนหิวน้ำนี่นะ่อความจริงเนี่ยก็อานนนี่รถเรานี่มันจะไม่ถึงไหนแล้วน่ะมันขาดน้ำไปจากน้ำมาเพิ่มเนาะมาเติมรถหน่อยมาใส่รถหน่อยเพราะนี่ขับขี่ไปถึงที่ของมานความหมายว่างั้นคนขับไม่ได้เป็นไรรถมันขาดน้ำท่างาคนขับก็หมายถึ ง, ถงจิตบริสุทธิ์ที่สิ อ, อานนราชพาสังคาติลงเรา พักผ่อพักเครื่องมันพูดง่ายพักเครื่องให้ลดตั้งหน่อยแล้วค่อยก้าวไปทีหลังอืรื่อวนี้เป็นเรื่องของขันนี่ทุกขเวทนาความหิวความโหยความทุกข์ความลําบากเพราะความหิวความโวยเพราะความอ่อนเพลียลเป็นเรื่องของทุกขเวทนาเวทนานีาา่เป็นขันห่านเวทนาเป็นเป็นรายรักนี่จิตนั้นเป็ น, นรายรักได้ที่ไหนการดําเนิน ตนเพืถึงวิสุทธิจิต ก, ก็อาศัยไตรลักษณ์ทั้งสามนี้เป็นทางเลยอันนี้กลางทุกขังนัตตาพิจารณานี้ให้รอบตัวเมื่อพิจารณ์นี้รอบตัวเต็มผุ่มแล้วจิตก็ผ่านยิดผ่านไปแล้วจะไปเป็นอนัตต์อ น, นิจจังทุกขังนัตตาจะไหนอีกจิตจะเป็นไตรลกักษณ์หรือถ้าจิตเป็นไตรลกกักษณ์จิตวิเศษอะไรอเป็นไตรลักษณ์นี่ผ่านก็เป็นไตรลักษณ์นี่เสียวิสุทธิอะไรให้มันเห็นประจักษ์ดินักปฏิบัติ เห็นมาจากแล้วมันหาสงสัยมีกี่ร้อยกี่พันหายสงสัยหมดไม่ทูลถามพระพุทธเจา้าเลยจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะมาเสวยทุกเวทเสวยเวทนาที่ไหนจิตที่บริรสุทธิ์แล้วมีเวทนาที่ไหนเวทนานี้มันเป็นสมมุติต่างหากจิตนั้นเป็นมีมุดแล้วมันเข้ากันได้ยังไงเป็นอาถรรพณ์นี่โดยหลักธรรมชาติเห็นรู้เห็นเห็นอยู่นั่นนะ่ะแจะว่ายอย่างไงถต่เราจะเทียบก็เหมือนกับเราจอดไฟเข้าก็ไผ่ เขาก็ไพยทั้งกรลงสู่สิราดน้ํามันเข้าไปเสียงกะไพยละเบิดนี่เหมือนฟ้าถล่มไฟก็ไฟก็ส่งเปลวจดเมฆน่งปึงปังปึงปังปึงปังส่งเปลวนี่จดเมฆเหมือนกับว่าไฟนั่นก็มีวิญญาณมีจิตมีใจฟืนคือกะไพ่นั่นก็เหมือนมีจิตมีใจมีวิญญาณเหมือนกับต่อสู้กัน แล้วนี่ความจริงแล้วไฟมันรู้ความหมายของมันไหมว่ามันมันร้อนมันหนาวมันเย็นมันเป็นฟืนเป็นไฟมันไม่รู้ไฟก็ไม่รู้ความหมายตัวเดงและไม่รู้ความหมายของฝืนฟืนเองก็ไม่รู้ความหมายตัวเองและไม่รู้ความหมายของไฟแต่ก็เผาไม้กันอย่างระเบเิดเปิดเปิงให้ได้เห็นได้ชัดชอยู่ด้วยตาของเราได้ยินด้วยหูเรานั่นเนี่ยดูสิผู้ที่รู้จริงๆก็คือคนที่ยืนดูอยู่นี่ไฟกับฟืนมันเผาไหม้กันนั้น อ น, นี่ก็ชั้นใหนขันนี่ก็ฐานขันนั้นเหมือนกันระหว่างรูปประขันกับทุกขเวทนาขันมันบีบบังคับกันก็เหมือนกันทํานองนั้นเน่มันทําให้หี่ใงอบางทีทําให้อาจให้เป็นเสียงร้องเสียงครางไปอือ อ, อีไปก็ได้เหมือนกับไฟระเบิดก่อไผ่ระเบิดฟึ่งปังๆนงอะไรธุรกิจที่บริสุทธิ์จะเป็นอะไรกับอันนี้ล่ะทั้งที่อยู่ในนั้นแหละขันก็เป็นขัน มันจะมีอะไรการอย่นี้เป็นไปได้ทําให้งอให้หงิกให้กระตุกกระติกให้บางทีทิ้งเนื้อทิ้งเปลือกไว้ได้เพราะเส้นมันกระตุกมันเป็นขันเหมือนกับว่าไฟกับฟืนมันไหม้กันนั้นเนี่ยระเบิดปึงปังปึงปังนั้มันอยู่เป็นสุกได้เมื่อไหร่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามันนัดตัวเข้าเต็มที่แล้วมันก็อาจมีกระดุกกระดิบมีเป็นเี่ในแง่ต่างๆทีนี้สายที่เคยมีควันขังอาจเป็นได้เพราะรหัสน่ะ แต่จิตของท่านไม่เป็นเป็นด้วยอาการของขันที่มันทบกระเทือนกันนี้เวลาสุดท้ายของมันที่มันจะแตกกระจายออกจากกันมันเป็นไปได้เรายอมรับมันนี่แต่เรื่องจิตของพระอรหันต์ที่เข้ามาสูงสิงกับวันนี้มามั่วมาสมไม่ลงไหลายนี่มันเป็นอาถรรนะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นที่ท่านหลวงปู่มัน่นท่านทรงท่านพิจารณาดูเห็นที่แบบ พระอรหันตนิพานในท่าต่างๆกันนั้นเราจึงเชื่อร้อยเปร์เซ็เพราะจิตของท่านไม่ได้อยู่ในขันให้ขันบังคับนีู่นะท่านอาศัยขันอยู่นั้นเนื้อขันอยู่นั้นท่านอยากนิพานท่าใดก็นิพานนี่ตามอัตาศัยในวาระสุดท้ายของท่านทุกเวทนาไปครอบจิตของท่านได้อย่างไงครอบไม่ได้เป็นอาถรณะเป็นอาถรณะโดยหธรรมชาติด้วยไม่ใช่เสกสรร ค่ะนี้พานท่าใดตามความถนัของท่านวันนี้ผานอยากยืนนี่ผานเดินนี่พ่านนั่งนี่ผ่านนอนนี่ผ่านวันแรกแต่ความถนัดตามริยาแสของท่นทานเหาว่าสุดท้ายเพราะยังไงก็คือความบริสุทธิ์อยู่โดยดีแล้วจะนิพผานท่าใดก็คือพระอรหันต์นี่ผ่านจะมีความเสียหายมีความกระทบกระเทือนต่อสมมุติที่ไหนกันไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันอมวิมุตต์เป็นวิมุตตวันนั่งค่ำมีชีวิตอยู่กับวิมุตต์หลุดไปแล้วก็เป็นหลุดไปแล้วก็เป็นวิมุตต์ไม่จะไห ขันก็เป็นขันดินเป็นดินน้ําเป็นน้าลมเป็น ล, ลมไฟเป็นไฟรูปเวญธนาสัญญาสังขารมีญาณเป็นรูปเบญธนาสัญญาสังขารหนึ่งญาณมันจะเป็นดิพันธได้ไนนอย่างไรมันคนละอย่างละอย่างนี่นั่นมันไม่ฆ่าเข้าวกันมันฆ่าเข้ามาจากพวกปุตชนคนหนาปัญญาหยาบทึบเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละมันไม่ฆ่าเข้าวกับจับมัดเข้ามากว้านเข้ามากว้านเข้ามามัดคอเจ้าของกันเนี่ยไม่มัดคอใครเอ๋อ <c> เ <oughs> นี่พอ พูดแค่พูไปไม่ถึง